อะไรเป็นสิ่งศักดิก์สิทธิ์อะไรที่เราคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่ก็คิดว่าวัตถุมงคลเป็นสิ่งศักดิก์สิทธิ์พระห้อยคอพระพุทธรูปสิ่งเนี้เป็นวัตถุไม่ได้เป็นสิ่งศักดิก์สิทธิ์ แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธรรมคำสอนไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสงฆ์ผ้าเรียสงสาวกก็ไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สาหรับพวกเราคือสิ่งที่เราอขออะไรได้ใช่ไหมขอให้ปกป้องคุ้มครองรักษา ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้มีอายุยืนยาวนานมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแขวคแรงปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆสิ่งที่เราขอนี่คืออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราขอนี่คืออะไรมีใครบอกได้นะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไร สิ่งศักดิสท์ที่แท้จริงก็คือกฎแห่งกรรมเนะอันนี้แหละศักดิ์สิทธิ์แน่นอนใครจะเคารพไม่เคารพนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นผู้ให้คุณให้โทษกับเราคือกฎแห่งกรรมอันนี้แหละความหมายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่เราขอไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องเคารพ เหมือนเราเคารพกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองเวลาเราเคารพกฎหมายเราก็ไม่ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางเวลาเราทำผิดกฎหมายเขาก็จับเราเข้าคุกเข้าตารางเช่นเดียวกันกับกฎแห่งกรรมถ้าเราทำแต่ความดีเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญมีความแข็วคาร่งปลอดภัย ถ้าเราทำบาปเราก็จะมีแต่ภัยอันตรายต่างๆคุกคามเราตลอดเวลานี่แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราขอกันขอให้คุ้มครองปกป้องรักษาแต่ความจริงท่านไม่สามารถปกป้องคุ้มครองรักษาเราได้เราเองเนี่แหละเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองรักษาตัวเราเอง ด้วยการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเคารพกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่คือกฎแห่งกรรมจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะเคารพหรือไม่เคารพถ้าทําชั่วก็ต้องได้ชั่วถ้าทําดีก็จะได้ดีอยากจะให้ชีวิตแค็งแกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ก็ต้องเข้าลบกฎแห่งกรรมอย่าไปทำบาปทำบาปแล้วจะต้องมีภัยตามมาอย่างแน่นอนทำความดีจะไม่มีภัยตามมาทำบุญจะไม่มีภัยตามมาจะมีแต่มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ตามมาถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเชื่อกันคุ้มครองเราได้ พวกห้อยพระนี่ก็ปลอดภัยกันทุกคนเนี่ยพวกห่อยพระนี่เราไม่รู้เหรอเวลารถพิดความเนี่ยไปดูคนที่ตายในรถเนี่ยมีห้อยพระอางหรือเปล่ามันก็มีทั้งห้อยแล้วไม่ห้อยแหละมันพระคุ้มครองไม่ได้หรอกพระพุทธรูปยังคุ้มครองตัวเองไม่ได้เลยเห็นไหมเห็นโจนเขาตัดเสียรพระไปขายไหม นี่พูดความจริงเนี่ยถ้าพระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องโจรก็ไม่สามารถที่จะไปแตะได้พอโจรจะไปตัดเสียรไฟก็ลุกขึ้นมาร้อนขึ้นมาป้องกันผู้ที่จะไปทำร้ายพระพุทธรูปได้เห็นไหมพระพุทธรูปใหญ่โตที่อยู่ในอัฟกานิสถา น, นบาบีอันเนี่ยออกมาเริ่มเลยอยู่กับ ภูเขาเนี่ยยังโดนลูกระเบิดรูมเดียวพังหมดนะต่อไปเนี่ยเขาทีโอเนี่ยพระพุทธลูกเนี่ยเกิดใครมันไส้ขึ้นมาเกิดใครมีอำนาจอยากจะระเบิดมนก็ระเบิดได้สทีนี้เป็นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เรา เข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกทีหนึ่งก็้าใจะการที่เรามีพระพุทธรูปนี้เป็นเหมือนกับเป็นป้ายโฆษณาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวป้ายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกใช่ไหมเวลาเราเห็นป้ายโฆษณาสินค้านี่มันเป็นสินค้าหรอือเปล่าเห็นไหมเขาโฆษณารถเกง๋งรถเบนซ์รถอะไรโฆษณาเครื่องบินสายการบินมันเป็นป้ายบอกสินค้า พระพุทธรูปนี่ก็เป็นป้ายบอกสินค้าบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าคืออะไรก็คือกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรไม่ได้พิตารณาลู่อะไรสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงตัดสั้ก็คือกฎแห่งกรรมเนี่ยพระธรรมคาสอนอก็สอนเรื่องกฎแห่งกรรม พระอริยสงสารลกทุกองค์ก็สอนเรื่องกฎแห่งกรรมไม่มีองค์ไหนอสอนอย่างอื่นสอนแต่เรื่องกฎแห่งกรรมนี่ทนะ่านถ้าสอนอย่างอื่นก็สแสดงว่าไม่ใช่เป็นพระอริยสงฆ์สแสดงว่ายังไม่รู้เรื่องเป็นพระแต่อาจจะไม่ได้เป็นพระอริยพระนี่มีสองแบบพระปุถุชนกับพระอริยพระที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองเนี่ย ที่บวชกันเนี่ยช่วงเข้าพรรษานี่ไปงานบวชกันเนี่ยพวกนี้พอออกมาจากโบวถไม่ได้เป็นพระอริยะทันทนีก็ยังเป็นปุถุชนมีกิเลสเหมือนกับตอนก่อนเข้าโบสถออกมาจากโบวถก็ไม่ได้ไปทำลายให้กิเลสมันตายหมดต้องเอาอมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนจึงจะสามารถ กำจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่ครอบงมจิตใจให้หมดไปจนเห็นชัดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้มีมีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือกฎแห่งกรรมที่มองไม่เห็นกันก็เพราะถูกโมหะอาวิชชาความหลงความโง่มันหลอกเราหลอกให้เราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงกับไม่ไม่เหตุกันไม่เชื่อกันไม่เชื่อกฎแห่งกรรมกันเพราะว่าสิ่งผู้ที่ทำกรรมกับผู้ที่รับผลกรรมมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั่นเองผู้ที่ทำกรรมนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รับผลของกรรมก็ไม่ใช่ร่างกาย ผู้ที่ทำกรรมผู้ที่รับผลของกรรมก็คือใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเมันเลยทำให้คนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกันเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครกันเราเราไม่รู้ว่าเราเป็นใจเราไม่รู้ว่าเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเพราะเราเห็นแต่ร่างกายเราก็เลยคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรา แล้วร่างกายทำอะไรร่างกายจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมทีนี้เวลาทำไปบางทีร่างกายก็ไม่ได้รับผลของกรรมทำบาปไปฆ่าคนไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นก็ไม่มีใครมาจับไปติดคุกติดตารางไม่มีใครจับไปลงโทษประหารชีวิตหรือรู้ก็หลบหนีได้ถ้าเก่งกว่าตารวจก็หลบหนีได้ หรือถ้าถูกจับถ้าถ้ามีเงินก็เปลี่ยนคดีได้เปลี่ยนจากผิดมาเป็นไม่ผิดได้อันนี้มันจึงทำให้คนงงกันว่ากฎแห่งกรรมมันเป็นยังไง<ช>เห็นชัดๆว่าโกงเห็นชัดๆัดว่าทาบาปแต่ทำไมได้ดิบได้ดีกันทาไมได้เป็นใหญ่เป็นโตกันคนที่ทำดิบคนที่ทำดีแสนดีกับไม่ได้อะไร ก็เลยทําให้คนเราไม่เชื่อกฎแห่งกรรมไม่รู้ว่ากฎแห่งกรรมนี่เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเราก็คือกฎแห่งกรรมนี่แต่เราไม่รู้ว่าเรานี่เป็นใครเราเราเนื่องจากมองไม่เห็นตัวเราเองเราไม่รู้ว่าเราเป็นผู้รู้ผู้คิด เราไปคิดว่าเราเป็นเนี่ยเราก็เราคิดเนี่ยเราคิดเนี่ยผู้คิดเนี่ยไปคิดว่าร่างกายเป็นผู้คิดเป็นผู้รู้ก็เลยมองทุกสิ่งทุกอย่างไปที่ร่างกายถ้าทําดีแล้วร่างกายได้เดีได้ดีดดก็ก็คิดว่าเป็นผลเป็นเหตุแต่ถ้าทําดีแล้วไม่ได้เดีได้ดีขึ้นมาก็ สับสนเอ้ไม่แน่ใจซะแล้วว่ากฎแห่งกรรมนี่หมายถึงอะไรกันแน่นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราไม่เข้าใจกันว่ากฎแห่งกรรมนี่มันมีผลกระทบต่อกับใครกันแน่กฎแห่งกรรมนี่มีผลกระทบต่อจิตใจจิตใจเป็นผู้กระทําำร่างกายเป็นเพียงแต่ผู้รับคำสัง่ง ร่างกายนี้เป็นเหมือนปืนเนี่ยเวลาเราเอาปืนไปยิงคนตายนีย่เขาเอาเขาจับปืนไปติดคุกติดตารางหรอเป่เปืนมันเป็นเพียงเครื่องมือเขาจับคนที่เอาปืนเนี่ยไปยิงคนตายเนี่ยไปติดคุกฉันใดใจก็ใช้ร่างกายนี้ไปฆ่าคนไปทำบาปใจผู้รู้ผู้คิดเนี่ยเป็นผู้สัง่งให้ร่างกายไปทำบาปหรือไปทำบุญ แล้วพอทำเสร็จแล้วผู้ที่รับผลก็คือใจนี่แหละโดยที่ไม่ต้องมีใครมาให้ผลต่อการกระทำของของใจทำบุญนะเกิดความสุขใจขึ้นมาทำบาปนี่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีนี่แหละคือผู้กระทำกรรมและผู้รับผลแห่งกรรมไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของใจอีกที่นึง ร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับผลบุญผลกรรมแต่อย่างใดตายไปร่างกายก็กลายเป็นขี้เท่าไปแล้วใครไปสวรรค์ใครไปนรก ก, นก็ใจนี่แหละไปสวรรค์ไปนรกใจผู้ที่ทําบุญที่ทําบาบนี่แหละถ้าทําบุญก็ไปสวรรค์ะถ้าทําบาปก็ไปนรก อยากจะรู้ว่านารกสวรรค์เป็นยังไงก็ดูตอนที่เรานอนหลับเนียตอนที่เรานอนหลับตอนนั้นร่างกายก็เหมือนตายชั่วคราวร่างกายไม่ทําอะไรนอนเฉยแต่ใจเรานี่ไม่เฉยใจเราจะฝันเรื่องราวต่างๆฝันดีก็เรียกว่าสวรรค์เห็นไหมตอนที่เรานอนหลับฝันดีใจเราไปสวรรค์นะหรือว่าเรานอนหลับเราใจเรา ฝาดลายเนี่ยใจเราไปนรกแล้วไปอาบายแล้วนี่แหละคือสวรรค์นรกนี่แหละคือผู้รับผลบุญผลบาปไม่ใช่ร่างกายเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดที่เวลาร่างกายตายหรือเวลาร่างกายนอนหลับนี่ใจมันไม่ได้หลับไปกับร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจมันรับผลบุญผลบาป ถ้าทำบาปบาปมันจะทําให้เราฝันร้ายถ้าทําบุญบุญจะทําให้เราฝันดีฝันดีเป็นไงมีความสุขไหมบางคืนฝันดีตื่นขึ้นมายังไม่อยากจะตื่นและอยากจะกลับไปนอนต่อเพราะว่ามาตื่นแล้วมาเจอชีวิตที่สู้ขนาดที่เราฝันไม่ได้นี่แหละคือความจริงที่เราไม่เข้าใจกันนะ ่นั้นก็สรุปก็คือ <Okay. S 1> กฎแห่งกรรมนี่มีจริงผู้กระทานี้มีจริงและผู้รับผลของกรรมก็มีจริงแต่ไม่ใช่ร่างกายผลที่ร่างกายรับก็เป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองอาจจะติดร่างแหไปด้วย mm hmm. เช่นถ้าเอาปืนไปฆ่าคนตาย mm hmm. เขาก็ลิบปืนนั้นหัหย mm hmm. เขาไม่ปล่อยให้อะ mm hmm. ใ, ให้เอาไปให ให้ไปไว้ที่คนอื่นเอาไปใช้แล้วไปฆ่าคนอื่นต่อได้ถ้าร่างกายไปทำบาปใจสั่งร่างกายให้ไปทำบาปเขาจับเขาก็ต้องจับร่างกายไปขังคุกกันไว้ไม่ให้ไปทำบาปใหม่แต่ใจนี่เดี๋ยวถ้าเกิดร่างกายนี้ตายไปใจมันก็ไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายนใหม่แล้วก็กลับมาทำบาปใหม่ เันอย่าอย่าไปมองผลที่ร่างกายผลของการทำบาหรือทำบุญนี่อย่าไปมองที่ร่างกายเพราะบางทีมันอาจจะเกิดบางทีอาจจะไม่เกิดทำความดีบางทีอาจจะไม่ได้ดิบได้ดีไม่มีใครเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้ไม่มีใครมอบรางวัลให้ทำบาปบางทีก็ไม่ต้องติดคุกติดตารางอันนี้ ใจของคนที่ทําบุญทําบาปนั้นมันมีผลแล้วคนที่ทําดีนี่มีความสุขใจมีความสบายใจอิ่มเอิบใจคนที่ทําบาปนี่ไม่มีใครรู้ว่าทําบาปแต่คนที่ทําบาปนั้นใจร้อนใจไม่สบายใจวิตกกังวลหวาดกลัวเห็นตำรวจเดินมาบางทีเข้ามาหาเราเพื่อจะถามอะไรเราไม่เกี่ยวกับ บาปที่เราไปทําพอเห็นก็ามาใจก็สั่นขึ้นมาแล้วถ้าลองทาบาปนะ้วมันจะมีผลทันทีผลอยู่ที่ใจคือความรู้สึกที่ใจสุขหรือทุกข์สบายใจหรือไม่สบายใจอันนี้ผลอันแรกนะแล้วไ ม, ไม่ใช่อันเดียวเวลานอนหลับก็จะฝันร้ายถ้าทําบาปก็จะฝันร้ายทำบุญก็จะฝันดีและเวลาตายไปก็จะฝันยาว ฝันยาวเราก็เรียกว่าสวรรค์ถ้าเป็นบุญพาฝันก็เรียกว่าสวรรค์ถ้าบาป พ, พาฝันก็ฝันก็จะไปอยู่ในอบายขุมต่างๆนรกขุมต่างๆจดกว่าที่จะได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอใหม่ก็ตื่นขึ้นมาใหม่พอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ลืมตาล่อง ตอนนั้นก็หยุดฝันแล้วก็มาใช้ร่างกายไปทำบุญทำบาปใหม่นี่แหละคือเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าเราอยากจะให้เรามีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเราก็อย่าไปทำบาปให้ทำแต่บุญ <c oughs> เพราะบุญนี้ไม่เป็นพิษ เ, เป็นภัยกับใคร <c oughs> ทำบุญนี้มีแต่คนมีประโยชน์ ผ, ผู้กระทำก็ได้รับประโยชน์ ผู้รับผลผู้รับการกระทําก็ได้ประโยชน์เวลาที่เราใส่บาทรนี่พระก็ได้รับประโยชน์โยมก็ได้รับประโยชน์ใส่บาทแล้วก็มีความสุขใจอิ่มเอิบใจสบายใจนอนหลับก็จะฝันดีไม่ฝันร้ายทําบาปแล้วก็จะทำให้คนที่ถูกกระทําเดือดร้อนเสียหาย <Yeah. S 1> ไปขโมยเงินของคนอื่นเนี่ย เจ้าของเงินเขาก็ต้องเดือดร้อนนะเขาเสียหายเราก็เดือดร้อนเพราะเราจะหวาดกลัวแล้วหวาดกลัวจะมีใครรู้หรือเปล่ากลัวจะถูกจับไปลงโทษกลัวจะถูกตำหนิถูกประนามเ่ความกลัวนี่มันไม่ใช่ความสุขหรอกใจที่มีความกลัวความมีวิตกกังวลนี่มันไม่สบายใจ นี่แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเท่า น, นี้ในโลกนี้เราอย่าไปคิดว่ามีอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกนอกจากกฎแห่งกรรมพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้ก็ทําหน้าที่เหมือนกับป้ายโฆษณาเท่านั้นเองโฆษณาสอนเรื่องกฎแห่งกรรมให้พวกเราเชื่อกันให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนอะไร สอนให้ละการกระทำบาปทั้งปวงนะให้สร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจเพราะกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่มาทเป็นตัวที่มาผลักดันให้เรามาทำกรรมกันมาทำบุญทำกรรมกันก็คือกิเลสตัณหาวันไหนอยากจะทำบุญมันต้องมีความอยากก่อนมันถึงจะทำอยากจะทำบุญอยากจะทำบาปมันถึงทา อยู่ดีๆถ้าไม่มีความอยากมันไม่ทำาอมันต้องเกิดความอยากขึ้นมาก่อนนั้นที่ทำไมเราต้องชำระไอ้ความอยากเพราะความอยากนี้มันมันส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ไม่ดีก็มีส่วนที่ดีไม่ต้องชาระเช่นอยากทำบุญอยากละบาทนี้ตัวนี้ไม่ต้องชาระให้ไปชาระตัวที่อยากอยากทำบาป อยากกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยตัวนี้ต้องทำลายเพราะการเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ดีมันเป็นทุกข์ส่วนการทําบุญนี้ไม่มีโทษทำไปพระพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านบรรลุถึงพระนิพพานแล้วท่านยังทําบุญอยู่ทุกวันท่านยังโปรดสัตว์อยู่ทุกวันเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้ทําด้วยความอยากท่านทําด้วยเหตุผล ท่านเห็นว่าการทําบุญยังยังมีประโยชน์ถึงแม้ไม่ได้กับพระ อ, องค์เองก็ได้กับคนที่พระ อ, องค์ได้ทําบุญด้วยคือสอนธรรมะพระวุทธเจ้าเห็นว่าการสอนธรรมะนี้เป็นประโยชน์กับผู้ฟังถึงแม้ว่าพระ อ, องค์นี้มีบุญเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจแล้วใส่เข้าไปอีกไม่ได้แล้วแต่พระ อ, องค์ก็ยังทําบุญอยู่แต่ไม่ได้ทําเพื่อพระ อ, องค์เอง ทำเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังเพราะผู้ฟังนี้ยังไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมยังไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าสอนก็จะไม่รู้กันจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ตอนเองต้องทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ยังไม่มีวันจบวันสิน้น แต่มีพระพุทธเจ้ามาสอนแล้วเราผู้ฟังก็จะได้รู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากการกระทำบาปต่างๆความทุกข์เกิดจากการความอยากต่างๆการเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากการกระทำตามความอยากต่างๆถ้าเลิกทำบาปได้ความทุกข์ก็จะหายไปถ้าเลิกความอยากได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป อนี่คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านไม่สามารถมาคุ้มครองให้เราพ้นจากกบายพ้นจากภัยต่างๆได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องตายพระอรหรันตสาวกทุกรูปก็ต้องตายกันแต่ท่านไม่ต้องท่านตายหนนเดียวท่านตายไม่ไม่ท่านไม่ตายแบบพวกเรา หลังจากที่ท่านตายแล้วท่านจะไม่ตายต่อไปเพราะท่านจะไม่กลับมาเกิดกต่อไปพอไม่เกิดก็ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายไม่มีใครที่จะมาทาร้ายร่างกายได้เพราะไม่มีร่างกายให้ทำร้าย <S 1> <S 1> นี่แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเรารู้จักกฎแห่งกรรมแล้วเราปฏิบัติ ตามกฎแห่งกรรมได้เราก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใจเราไปตลอดรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขไปตลอดปราศจากความทุกข์ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกทุกรูปนี้เข้าลบกฎแห่งกรรมทำตามกฎแห่งกรรมคือละการกระทำบาปทั้งปวง สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อ ม, อมชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นตัวผลักดันให้ไปทำบุญทำบาปส่วนใหญ่จะให้ใหไปทำบาปไปทำกรรมต่างๆทั้งบุญทั้งบาปแล้วทั้งที่ไม่เป็นบุญและไม่เป็นบาปเราวันวันหนึ่งเนี่ยเราทำ เรามีการกระทำอยู่สามรูปแบบด้วยกันทำบุญทำบาปแล้วก็ทำที่ทำที่ไม่เป็นบุญและไม่เป็นบาปเป็นการกระทำกลางๆ ก, การกระทำบุญนี้เป็นการกระทำที่ทำให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นเรียกว่าบุญเช่นเราช่วยเหลือคนอื่นทำให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์นี่เรียกว่าบุญการทำแล้วให้เกิดโทษแก่ผู้อื่นนี่เรียกว่าบาป การกระทำที่ไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดโทษกับผู้อืน่นนี้เรียกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ใช่เป็นบุญไม่ใช่เป็นบาปส่วนใหญ่เราจะกระทำที่ไม่เป็นบุญเป็นบาปกันเช่นเราดูแลร่างกายเราเอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันอันนี้ก็เป็นการกระทำเหมือนกันเป็นกรรมเหมือนกันแต่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเพราะไม่ได้ทาให้ใครได้รับประโยชน์จากการกระทา ไม่มีใครรับโทษจากการกระทำแบบนี้มีแต่ร่างกายเป็นผู้ได้รับประโยชน์เราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารไปทำงานหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้ไม่มีใครได้รับประโยชน์ไม่มีใครได้รับโทษจากการกระทำของเรายกเว้นว่า ง, งานของเราที่ทำนั้นมันไปทำให้คนอื่นเขาได้รับโทษหรือเปล่า ถ้าเป็นงานที่เป็นทุจริตเนี่ยไปงานปล้นธนาคารอย่างนี้ถ้าเป็นงานเลี้ยงชีพแบบนี้ก็เป็นบาปเป็นการกระทำบาปขึ้นมาแต่ถ้าเป็นทำงานปกติที่เขาทำกันทั่วไปไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ไม่ถือว่าเป็นบุญหรือไม่เป็นบาปงานกระทำแบบนี้จึงไม่มีผลต่อจิตใจคือไม่ได้ทำให้ใจสุขหรือใจทุกข์ งานที่จะทําให้ใจสุขก็คืองานบุญเวลาเราทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยเงินทองด้วยข้าวของด้วยการกระทําอะไรก็ตามการพูดก็ได้การแสดงธรรมนี่ก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังผู้ที่ได้ฟังธรรมแล้วเกิดความสุขใจขึ้นมาฟังแล้วเข้าใจทําให้ดับความทุกข์ใจได้บางทีทุกข์ใจเพราะไม่รู้ว่าทุกข์เพราะอะไร พอฟังทมท่านบอกว่าทุกข์เพราะอยากอยากไปอยากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาตายไปแล้วอยากไปอยากให้เขากลับมาอยากเราจะเศร้าอยากเราจะทุกข์แต่ถ้าไม่อยากรู้ว่าเขาตายไปแล้วก็ต้องให้เขาตายไปเราอยู่แล้วก็อยู่ของเราต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะหายทุกข์กันนี่ก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่น การแสดงธรรมท่านก็เรียกว่าธรรมทานให้ธรรมะแก่ผู้อื่นเป็นการให้ที่ดีที่สุดดีกว่าการให้ข้าวของเงินทองเพราะข้าวของเงินทองนี้ดับความทุกข์ทางร่างกายได้แต่ยังดับความทุกข์ทางใจไม่ได้แต่ธรรมะนี่ดับความทุกข์ทางใจได้ให้ทำให้หายทุกข์ได้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ เหมือน ม, มีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยในสมัยพุทธกาลมีแม่คนหนึ่งเนี่ยได้คลอดลูกออกมาแล้วอยู่ได้ไม่กี่วันก็ตายแม่ก็เสียอกเสียใจอยากจะให้ลูกฟืน้นไม่ยอมเอาลูกไม่ยอมทําศพไม่ยอมเอาลูกไปเผาหรือไปฝังกอดนอนกับลูกอยู่ทุกวันร้องห่มร้องไห้อยู่ ชาวบ้านเห็นเขาก็สงสารก็เลยบอกว่ามีพระพุทธเจ้านี้ท่านเก่งนะท่านช่วยเราได้นะแกก็ดีใจแกไม่รู้ว่าช่วยอย่างไรแกก็คิดว่าจะช่วยให้ลูกแกฟื้นแกก็อุบลูกนี้ไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วไปขอให้พระพุทธเจ้านี้ช่วยทำให้ลูกฟื้นเถิดพระเจ้าบอกอ๋อง่ายมากเธอ ขอให้เธอไปเอาผักมเมล็ดเมล็ดผักกาดมาสักกำมือหนึ่งก็แล้วกันไปเอาจากบ้านที่ไม่มีคนตายนะบ้านไหนที่มีคนตายนี่เอามาไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องเอามเมล็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายพอแกได้ทราบว่ามีความหวังแกก็ดีใจดีใจที่จะได้ได้ลูกกลับคืนมา ก็เลยรีบกลับไปบ้านไปหมู่บ้านไปเคาะตามบ้านที่รู้จัก <c oughs> ถามที่รู้จักแล้วไม่รู้จักถามเขาว่ามีเมล็ดผากกาดไหมบ้านที่มีก็บอกว่ามีแล้วถามว่าบ้านนี้มีคนตายไหมเขาก็บอกว่ามีไปบ้านไหนก็ได้คำตอบเหมือนกันบ้านที่มีเมล็ดผากกาดก็ตอบว่ามีคนตายมีปู่ย่าตายายมีพี่มีน้องมีญาติ มีลูกมีหลานทุกบ้านตอบเหมือนกันหมดมีคนตายทั้งนั้นพอแกได้รับความจริงรับรู้ความจริงขึ้นมาแกก็เลยเห็นความจริงเห็นว่าความตายนี้มันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดามีอยู่ทุกบ้านแล้วตายแล้วก็ไม่ฟื้นไม่มีใครฟื้นตายแล้วก็เอาไปฝังเอาไปเผากันจบ แกก็เลยเห็นความจริงหยุดความอยากที่จะให้ลูกนี้ฟื้นหยุดความอยากที่จะให้ลูกนี้ไม่ตายพอหยุดความอยากได้ก็หายทุกข์หายเศร้าสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้นี่แหละคือความฉลาดของพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมนี้ท่านไม่ได้ประโยชน์คนที่ได้รับประโยชน์คือคนที่มีความทุกข์ใจ ไปขอปรึกษาขอความช่วยเหลือพระพุทธเจ้าก็สอนให้เขาพ้นจากความทุกข์ใจได้ตัวพระพุทธเจ้าเองไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการสอนนี้แต่ท่านก็ไม่ต้องการเพราะประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการที่ท่านตรัสรูน้นี้ท่านก็ได้เต็มที่แล้วถ้าเป็นน้ำก็มันเต็มแก้วแล้วจะเทน้าเข้าไปอีกเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถที่จะ เก็บน้ำไว้ได้น้ำกนจะต้องไหลออกมามันจะต้องไหลล้นออกมาจากแก้วใจของพระพุทธเจ้านี้เต็มเปี่ยมด้วยความสุขลนิบบาลังปรมังสุขขังละใจมีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วไม่มีความต้องการความสุขอันใดจากการกระทำอีกต่อไปแต่เนื่องจากว่าร่างกายมันยังอยู่ได้อยู่ยังเอามาใช้ประโยชน์ได้อยู่ พ่อองก็เลยเอาร่างกายนี้มาแสดงธรรมมาสั่งสอนให้กับผู้ที่ไม่รู้ได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่จะปกป้องคุ้มครองรักษารักษาอะไรรักษาใจไม่ใช่รักษาร่างกายนะร่างกายนี้ไม่มีใครรักษาคุ้มครองได้ร่างกายเมื่อมันถึงเวลามันจะต้องแก่ต้องเจ็บหรือต้องตายไป จะตายเร็วตายช้าจะเจ็บมากเจ็บน้อยนิ่มก็ขึ้นอยู่ที่กฎแห่งกรรมนี่เองล่ะถ้ากินเหล้าเมาไปขับรถก็พลิกความตายได้ตายได้เร็วถ้าสูบบุหรี่กินของที่เป็นพิษเป็นภัยเดี๋ยวก็เป็นโรคมะเร็งขึ้นมาได้กินมา ก, มากเกินไปอ้วนเกินไปน้ำหนักเกินไขมันมากบาหวานมาก อันนี้ก็กฎแห่งกรรมเลยแบการกินนี่ก็เป็นกฎแห่งกรรมเลยครับกินมากก็มันก็มีผลต่อร่างกายแต่ไม่มีผลต่อจิตใจจิตใจอาจจะทุกข์ด้วยความอยากนั้นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บแต่หยุดอยากกินไม่ได้ถ้าอยากจะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บมันก็ต้องต้องหยุดความอยากกินให้ได้กินให้มันพอประมาณ กินแบบพระเนี่ยพระกินมื้อเดียวกินมันละมือ้อแล้วรับรองได้โครคภัยไข้เจ็บหายหมดเลยเนี่ยที่มันมีโครคภัยไข้เจ็บกันเพราะมันกินกันเขา้ขาใจไหมไข้ไขมันมันอย่างไหนมันก็มาจากของมันๆที่เรากินเข้าไปแหละเบาหวานมันมาจากไหนมันก็มาจากน้ําตาลเนี่ยเห็นไหมช่วงนี้ทุเรียนเป็นยังไงมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเป็นยังไง อ๋มันมีแต่หวานมีแต่มันเท่นั้นนี่แหละนี่แหละกฎแห่งกรรมแต่แต่อันนี้มันกฎแห่งกรรมที่ไปกระทบกับร่างกายแต่มันไม่กระทบกับใจถ้าใจไม่มีถ้าใจมีไม่มีกิเลสไม่มีความอยากก็ไม่ทุกข์กินไปไม่กลัวตายกินแล้วก็ยอมรับผลของกรรมเมื่อมันจะต้องตายเพราะการกินก็ยอมกินยอมตายเพราะอยากกิน เมื่ออยากกินก็ต้องก็ต้องยอมตายถ้าอยากกินแล้วไม่ยอมตายก็อย่าไปกินกินน้อยๆแล้วจะได้ไม่ตายจะได้ตายยากไม่ไม่ตายง่ายไม่เจ็บไข้ได้ป่วย น, นั่มันนี่ลคือเรื่องของเรื่องของความจริงที่พวกเราไม่เข้าใจกันไม่รู้กันกฎแห่งกรรมนี่ท่านพูดหมายถึงใจใจเป็นผู้กระทำ เพียงแต่อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นผู้กระทาอยากจะฆ่าใครนี้มันไม่มีร่างกายไปฆ่าเขาไม่ได้ต้องมีร่างกายต้องใส่ฮะต้องสั่งให้ร่างกายไปถ้าทำเองไม่ได้ก็ไปจ้างคนอื่นจ้างร่างกายของคนอื่นไปทำแทนไปฆ่าเองก็ดีไปจ้างคนอื่นทำฆ่าก็ดีก็บาปเหมือนกันใจจะทุกข์เหมือนกันใจจะไม่สบายเหมือนกัน ใจจะต้องฝันร้ายเหมือนกันเวลาตายไปฝันไปอยู่ในฝันร้ายก็ไปฝันไปอยู่ในอบาย น, นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่จะคุ้มครองเราหรือจะทำร้ายเราไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กฎแห่งกรรมนี่เองอ น, นั้นเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้า แต่ไม่ได้เชื่อว่าพุทธเจ้าเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอย่าไปเชื่อว่าพระพุทธรูปนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีนี้ชี้ให้เราไปไปไปที่กฎแห่งกรรมถ้าเราอยากจะมีความสุขมีความแคล้วคลาดปลอดภัยก็ให้เข้าลบกฎแห่งกรรมอย่าทําบาปโดยเด็ดขาดระงับการกระทําบาปอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์ อย่าประพฤตผิดประเวณีอย่าพูดกหอย่าดื่มสุรายาเมาแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีปัญหาจะไม่มีโทษตามมาส่วนเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปห้ามได้ร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเจ็บเจ็บด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เจ็บเพราะถูกเขาตีหัวก็ได้เจ็บเพราะถูกเขาแทงก็ได้หรือจะตายก็เหมือนกันจะตายเมื่อไหร่ก็ตายได้เกิดมาสามวันก็ตายได้เจ็ดวันก็ตายได้เดือนหนึ่งก็ตายได้ปีหนึ่งก็ตายได้แั้นเรื่องของร่างกายนี้ไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองร่างกายไม่ได้ร่างกายนี้มันต้องเป็นไปตามพฤติกรรมของมัน มันจะต้องเป็นไปตามเหตุการณ์ตามสิ่งแวดแล้อมถ้าไปติดเชื้อโรคมีเชื้อโรคแพร่ระบาดเนี่ยไปติดเชื้อโรคเข้ามาร่างกายก็ตายได้ไปติดโลกเอมั้ยมีช่วงหนึ่งนี่คนตายกันเยอะเนี่ยติดเชื้อเอดกัน mm hmm. ก็เพราะว่าพฤติกรรมทางร่างกายนี่เองไปทำให้ไปติดเชื้อขึ้นมา mm hmm. เพราะฉะนั้น ขอให้เราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเรื่องักเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเรื่องกฎแห่งกรรมนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าทุ ก, ท ก, ทกพระองนี้สอนเหมือนกันหมดสอนให้ทาบุญสอนให้ละบาปแล้วก็สอนให้กาจัดกิเลสตัณหาตัวที่คอยดันผลักดันให้เราไปทํทบาปกัน ตัวที่ผลักดันให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันคือตัวกิเลสตัณหาถ้าเราทำได้นะเราใจของเราก็จะถูกถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใจจะมีแต่บรมมสุขใจจะเป็นนิพพานขึ้นมานิพพานก็คือใจที่ปราศ จ, จากการกระทำกรรมทั้งปวง ใจที่ไม่มีกิเลสตัณหาการกระทาไม่ได้กระทาด้วยความอยากถ้าจะทำก็ทําด้วยเหตุผลทาไปตามตามเหตุตามผลก็จะไม่มีผลอะไรต่อจิตใจพระพุทธเจ้ายังทําบุญอยู่หลังจากที่ได้ทรงบรรลุถึงพระนิพพานแล้ว แต่การกระทำของท่านนี้ท่านไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของท่านท่านทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือประโยชน์ที่ท่านได้รับมันก็เป็นประโยชน์ที่มันมันที่มากเกินกว่าที่ใจของท่านจะได้รับใจของท่านได้รับเต็มที่แล้วเหมือนน้าที่เต็มแก้วแล้วจะเทน้ำเข้าไปอีกเท่าไหร่มันก็ได้น้าเท่าเดิม อันนี้คกอใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์ถึงแม้ว่าจะทำบุญมากน้อยเพียงายก็ตามหลังจากที่ใจของท่านเต็มด้วยความสุขแล้วมันก็จะเต็มเต็มเปลี่ยมอยู่ตลอดเวลาจะทำมากขึ้นมากขึ้นน้อน้อยลงหรือไม่ทำมันก็จะเท่าเดิ ม, มใจไม่เปลี่ยนแปลงความสุขในใจไม่เปลี่ยนแปลง <c oughs> แต่ท่านก็ทำเพราะท่านมีปัญญาท่านเห็นคุณของการกระทา ท่านเห็นคุณของการที่ได้เรียนรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมเพราะจะทําให้ผู้ที่ได้รู้เรื่องของกฎแห่งกรรมนี้จะได้รู้จักวิธีทําให้ใจมีแต่ความสุขทําให้ใจแคล่วค่าปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆภัยของใจก็คือความทุกข์ต่างๆความวุ่นวายใจความไม่สบายใจความวิตกกังวล เนี่เป็นภัยต่างๆที่คุกคามจิตใจอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าร่างกายจะสุขจะสบายแต่ใจนี่แทบจะหาเวลาสบายไม่ค่อยได้เลยเพราะใจนี่มีแต่การกระทำกรรมที่ไม่ดีทั้งทาบาปบ้างทำทคิดไปทางตามความอยากต่างๆบ้างอ่าขึ้นมาข้างบนก็ได้นะถ้าฝนตก เข้ามาข้างในก็ได้เพราะฉะนั้นก็ขอขอสนุปเพราะฝนจะตกแล้วขอว่าถ้าอยากจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้รู้ว่ากฎแห่งกรรมนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนอื่นนี่ไม่ใช่เป็นศักดิ์สิทธิ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเพียงแต่ผู้เป็นผู้ชี้ผู้บอกให้เรารู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไร แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คือกฎแห่งกรรมและไม่มีใครที่จะมาปฏิบัติกฎแห่งกรรมนี้ให้แทนเราได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติกฎแห่งกรรมเอง mm. ก็คือให้เราละาการกระทําบาปทั้งปวงให้เราทําบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม mm hmm. ให้เรากําจัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากความหลงต่างๆให้หมดไปจากใจ แล้วใจของเราจะปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงก็ mm hmm. คิดว่าพอสมควรแต่เวลาสำหรับวันนี้จะขออนุโมทนาให้พอร mm hmm. อยาถาหวเวหาปุราปิริปูเรนติสคกลังเอวเมีวะอิโตชินงังเปตานาังอุ ป, ปกาปติ อิติตังปะติตังตุหังคิปะเมวะสนิจจตุสัพเพปุลัตุสังกปาจันโทปนะอาบาโสยะามณิโชติอาบาโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโขวินักสัตโ มาเตภวตวันตาลอยสุขีทีขายุโกขาวอาพิวะธนสิลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวัานติอายุวโนโอสุขังอาลังวันนี้ทางทางบ้านติดตามกันเท่าไหร่ เฟซบุ๊กสามรอยเจ็ดสิบสี่ยูทูบเก้าสิบวิทยุยี่สิบห้ารับฟังบนเขาสี่สิบเก้ารวมห้าร้อยสามสิบแปดค่ ะ, ะใครอยากจะถามไหมมีปัญหาอยากถามถามได้น ะ, ะถามตอนนี้ตอนตอนเลิกประชุมแล้วห้ามถามนะถ้าไม่อยากจะให้รู้ว่าเป็นคำถามของใครก็เขียนใส่กระดาษเข้ามาก็ได้นะ ชอบมาถามตอนที่เลิกแล้วเหนื่อยแล้วอยากจะหยุดแล้วยังไม่ยอมให้หยุดนี่มวยก็โชกกันพอเขาตีระครังเขาก็เลิกแล้วนี่ยังจะมาท้าให้หลังจากระครังตีแล้วยังจะมาขอท้าชกอีกไม่ไหวชคไม่ไหวงั้นใครอยากจะถามก็ถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าเป็นใครก็เขียนใส่กระดาษมาแล้วเดี๋ยวทางพิธีกรจะอ่านให้ฟังถ้าไม่มีก็จะให้ทางบ้านคาถามของทางบ้านส่งเข้ามา คำถามฝากถา ม, ถา ม, ถามทางไลน์ค่ะวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจทมการุณคาาของชายวัย104ปีชาวออสเตรเลียโดยมีองค์กรที่สวิตเซอร์แลนด์ให้บริการที่เดียวในโลกที่กฎหมายอนุญาตให้ทมอยากกลับเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ตามหลักพุทธศาสนาถือเป็นบาปหรือไม่คะบาปเป็นความโง่ เพราะการฆ่าร่างกายไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาความทุกข์ใจเกิดจากกิเลสที่มีอยู่ในใจคือความอยากไม่แก่อยากจะอยู่แบบคนหนุ่มคนสาวพอแก่แล้วทำอะไรไม่ได้หาความสุขไม่ได้ก็เลยอยากตายเท่านั้นเองแต่ฆ่าฆ่าร่างกายความอยากที่จะไม่แก่ก็ยังอยู่ในใจอยู่เดี๋ยวพอไปเกิดใหม่ ก็ต้องเจอความแก่พอเจอความแก่ก็ต้องฆ่าตัวตายมันก็จะฆ่าตัวไปอยู่เรื่อยทุกครั้งที่ฆ่าก็ยังต้องไปฝันร้ายตอนหลับก็จะไปตกนรกเวลาตายเพราะใจจะเครียดเวลาฆ่าตัวตายมันไม่มีความสุขหรอกใจไม่มีใครอยากตายถึงแม้ว่ากิเลสจะหลอกอยากให้ตายพอถึงเวลาจะตายจริงๆมันจะทุกข์มากนั่นก็ เป็นการกระทําบาปไม่ว่าฆ่าคนอื่นหรือ่าตนเองรบกวนอยากให้พระอาจารย์เทศเรื่องการเลิกดื่มสุราเลิกสูบบุหรี่ทําอย่างไรจะไม่ให้อยากอยากเอาไปเปิดให้ตาและพ่อฟังค่ะเพราะว่าทั้งสองคนนี้เคยเลิกสูบบุหรี่และดื่มสุราแล้วแต่พ่อบอกว่าพ่อแพ้กิเลส ก, ก็เลยอยากจะให้เทศเรื่องนี้ให้ฟังค่ะก็ให้มองสุราว่าเป็นยาพิษก็แล้วกัน บุหรี่เป็นควันพิษเนี่ยก็ไปทําร้ายร่างกายเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ทําร้ายทันทีทันใดมันค่อยๆทําร้ายทีละเล็กทีละน้อยไปดูคนไข้เนี่ยพาให้ไปดูคนไข้ที่มีโรคพิษสุราเรือลังหรือโลกปอดถุงนมป่องโปง่งพองสาเหตุ ท, ที่เกิดมาจากการสูบบุหรี่เลือดดื่มสุราเนี่ยต้องให้เห็นโทษต้องพาเข้าไปที่โรงพยาบาล น, น, นี่คือปัญญา ปัญญาคือเห็นความจริงเห็นผลของการกระทำเหตุเราเห็นเหตุเราแต่เราไม่เห็นผลเราก็เลยไม่กลัวแต่ถ้าเห็นผลเรากลัวพวกที่ชอบทำผิดกฎหมายก็พาไปเที่ยวที่คุกตารางดูบ้างดูคนที่อยู่คุกตารางว่าอยู่กันอย่างไรแล้วเวลาจะทำบาปจะทำผิดกฎหมายจะได้ไม่กล้าทำกันอันนี้ก็คือต้องพาพ่อไปโรงพยาบาล ไปโรงพยาบาลที่เขารักษาโรคของคนที่สูบบุหรี่หรือโรคของคนที่มีพิษสุราเรื้อลังเขาจะมีภาพถ่ายตับไตไส้พุงนะว่ามันต่างกับคนที่ไม่ดื่มสุราอย่างไรแล้วอายุไขของคนที่ดื่มสุราสูบบุหรี่นี้ออยู่ได้กี่ปีกัน อ, อันนี้ต้องให้เขาเห็นผลของการกระทําของเขาเขาถึงกลัว แต่ถ้าเขายังไม่กลัวก็ช่วยไม่ได้ก็ยินดีก็ถึงเวลาก็ก็ต้องให้เขารับผลของเขาไปเราไม่สามารถไปทำอะไรไนดะ้เราก็ต้องรู้จักหยุดความอยากของเราเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเราขอให้เราตัวเราอย่าไปดื่มสุราสูบบุหรี่ก็แล้วกันคำถามจากทางเฟซบ o o กจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม พ่อแม่ที่มีลูกที่ไม่กระตันกระตันอยู่กระตะเวทีควรทำใจอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์ก็จะเป็นเพราะอดีตเราไม่เคยมีความกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ของเราพอถึงเวลาที่ลูกของเราจะกระตันอยู่กับเราเขาก็ไม่กระตันอยู่กับเราก็เถือว่าเป็นเหมือนกองกรรมกงเกวียนไปเราทาอะไรเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นกลับมาหาเรา คำถามจากคุณนภประพัส«นั่งสมาธิกำนดพุดโทโธแรกๆก็กำหนดได้หลังๆไปหลับไหลไปไหนต่อไหนไม่รู้มารู้อีกทีคือหลับและกำหนดไม่ได้ทำอย่างไรให้กำหนดได้โดยไม่มีนิวรเหล่านี้เจ้าคะก็ต้องหัดทำทั้งวันหัดกำหนดทั้งวันไม่ใช่มากำนดเฉพาะแต่เวลาที่เรานั่งเตยขึ้นมาเราก็กำหนดพุดโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปแทนที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็พุโทโธแทนต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยพอนั่งพุโทโธพุโทโธมันก็จะพุโทโธไม่หายคำถามจากคุณพลพิทักษ์ถ้าเราเคยทำกรรมฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันทร้ายพระพุทธเจ้ายุยงให้สงแตกแยก แต่หลังจากได้ทากรรมไปแล้วได้สำนึกผิดหันมารักษาศีลให้ทานเจริญสัมมะตะสัมมทะและวิปัสสนาละชั่วทัง้งฟวงอยากถามว่าเราสามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ไหมครับหรือว่าต้องตกนรกสถานเดียวครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเท่าที่มีตัวอย่างก็คือพระเทวทัตเนี่ยเป็นผู้พยายามฆ้าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งเยื่อโยงให้สงแตกแยก แล้วก็ต้องเสียชีวิตไปแล้วก็พอตายไปพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องไปตกนรกแต่หลังจากที่พ้นจากนรกออกมากลับมาเกิดใหม่ก็จะได้ปฏิบัติธรรมใหม่แล้วได้ตัดสรู้เป็นพระประเจกับพุทธเจ้าต่อไปดังนั้นจึงไม่มั่นใจว่าถ้าเราทําในชาตินี้แล้วถ้าเรากลับใจได้แล้วมาปฏิบัติธรรมกูจะถูกก็จับไปประหารชีวิตก่อนสิ กลัวจะตายไปซะก่อนแล้วเรื่องที่จะมากลับใจกันอย่างง่ายๆอย่างนี้ก็คิดว่าไม่ใช่เป็นของงไร่ทำบาปขนาดนั้นแล้วเปลี่ยนใจขึ้นมาเหมือนกับองค์โคลีมาขึ้นมาเลยถ้าเปลี่ยนใจได้ก็เปลี่ยนตั้งแต่ก่อนที่จะไปทำบาปเสียไม่ดีกว่าเจะได้ไม่ต้องทำบาปถ้าบังคับควบคุมใจไม่ให้ไปทาบาปไม่ได้แล้วจะไปบังคับควบคุมใจให้ไปทาบุญได้อย่างไร มันฟังแล้วมันไม่มันไม่มีเหตุไม่มีผลพอนอกจากว่าไปรับผลบาปแล้วมันถึงจะเข็ดคนเราต้องถูกลงโทษก่อนมันถึงจะเข็ด่ยถ้าทําผิดแล้วไม่ได้ได้รับการลงโทษเดี๋ยวมันก็กลับไปทําใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าได้รับถูกการลงโทษนี้มันอาจจะเข็ดเพราะมันจะรู้ผลของการทําบาว่ามันไม่ดีอย่างไร ก็จะไม่กล้าทำอีกต่อไปอย่างนั้นก็คิดว่าต้องไปรับผลก่อนอย่างแน่นอนไอ้เรื่องที่จะทำแล้วไม่ไปรับผลแล้วกลับมาเปลี่ยนใจเปลี่ยนจากาจากามหาโจรมาเป็นเป็นพระอรหันต์นี้ก็คิดว่ายากนอกจากกรณีพิเศษอย่างองคุลิมา น, นีอา้องคุลิมานก้าวคนมาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแต่นั่นฆ่าเพราะความหลงเพราะเพราะความไม่รู้เพราะถูกหลอก เพราะคิดว่าเป็นการที่จะทําให้เขาบรรลุทําไดเออ้เขาก็เลยทําไปโดยที่ไม่รู้พอเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทําผิดไม่ใช่เทพวิธีที่จะบรรลุต้องฆ่ากิเลสไม่ใช่ฆ่าคนอ อ, องคุลิมันก็เลยเปลี่ยนเป้าไปแต่ถ้าทําอะไรด้วยเจตนาเจาะจงด้วยความ ชังนี่มันเป็นเรื่องของความตั้งใจอันนี้เปลี่ยนยากถามมาคำถามฝากถามค่ะพุทธภูมิในเพศคารวาดควรบำเพ็ญบารมีอย่างไรให้เต็มเร็วก็เหมือนกับพระอรหันต์นี่ยไม่ต้อง พาาระพุทธรหลานพุทธภูมิมันก็อันเดียวกันไปนิพพานเหมือนกันถ้ามีพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมาขาทางเลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ต้องขำทางไปลองผิดลองถูกไปตอนนี้เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเรามีพระพุทธเจ้าบอกทางเราก็เดินตามป้ายที่พทธเจ้าเขียนไว้ให้ทำบุญทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนาเราก็จะไปถึงถึงพระนิพพานได้ คำถามจากทาง Youtube ค่ะนิวรณ์คืออะไรเหรือมีอะไรบ้างนิวรณ์คืออุปสรรคทางใจที่จะมาขวางกาั้นการปฏิบัติที่จะไม่ที่จะทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจเครียดใจวุ่นวายมีหนึ่งคือการมัฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ย พวกนี้จะนั่งสมาธิไม่ได้พวกชอบเที่ยวชอบกินชอบดื่มเนี่ยพอนั่งปั๊บเดี๋ยวเดียวก็หิวแล้วเดี๋ยวก็อยากดูอยากฟังแล้วต้องกำจัดนิวรนี้ด้วยการถือศีลศีลแปดห้ามดูทีวีห้ามกินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วอกอที่สองก็คือความนังเลยสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่าอ อันนี้ก็ต้องศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็จะยืนยันรับประกันว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงว่าปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนเช่นฝึกสตินั่งสมาธิจิตก็จะสงบเออันนี้ก็จะแก้นิ้วอนความสงสัยได้ถ้าไม่เช่นั้นบางทีนั่งไปแล้วก็สงสัยวย่าเราท่งนี้มัน มีจริงหรือเปล่าผลที่เขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะนั่งไปแล้วไม่มีผลก็ได้นั่งไปทําไมก็อาจจะไม่อยากนั่งขึ้นมาข้อที่สามก็คือความง่วงเหนาความง่วงเหงาหานอนความเกียจข้างก็เกิดจากกินมากเกินไปก็ต้องคอยรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารรับให้เนาะรับประทานให้พออยู่ได้อย่าให้มันอิ่ม าาแล้วมันมานั่งสมาธิจะได้ไม่ง่วงจะไม่ขี้เกียจเนหรือถ้ามันยังง่วงยังขี้เกียจอยู่ก็ลองอดดูอดข้าวดูกินแต่น้ำดื่มแต่น้ำปานะดื่มแต่น้ำผลไม้ดื่มทับกินแต่ของเบาๆมันก็จะทาให้ไม่ง่วงนอนไม่เกลียดไม่เกียดกยดาอีกข้อก็คือความโกรธความโกรธ บางทีเราก็จะมานั่งสมาธิก็ไปคิดถึงคนที่เขาด่าเราเมื่อเช้านี้ด่าแล้วแล้วเราก็โกรธเขาเวลานั่งใจก็คิดแต่เรื่องที่เขาด่าเราว่าเราก็ทำให้ใจเราไม่สงบนั่งไม่ได้เราก็ต้องใช้ความเมตตาคือให้อภัยอย่าไปถือสาถือโทษเขาคิดว่าเราอยู่ด้วยกันมันก็เป็นเหมือนลิ้นกับฟันมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดา หรือถือว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันที่จะต้องมาใช้กรรมที่อาจจะไปเคยด่าใครเข้าไว้ก่อนตอนนี้เะไก็ต้องมาถูกเขาด่าบ้างเขาด่าแล้วก็แล้วกันไปมันก็ผ่านไปแล้วเราจะมาแบกมาหามันทําไมเขาด่าไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็อย่าไปคิดถึงมันเอ แล้วคิดถึงมันมันก็หายไปอันนี้ก็ต้องใช้ความเมตตาแต่ถ้าจะคิดอาฆาตพยาบาทเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปด่ามันมันด่าแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปตีมันถ้ามันมัวแต่นั่งคิดอย่างนี้มันก็จะนําทำใจให้สงบไม่ได้ น, นี่คือการระงับความโกรธตัวสุดท้ายก็คือความฟุ้งซ่าน ชอบคิดเรื่อยเปื่อยอยู่เรื่อยคิดถึงคนนั่นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงที่กินที่ดื่มที่เที่ยวคิดถึงเพื่อนคิดถึงแฟนคิดถึงประโยชน์จากการทำธุรกิจอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ชอบคิดไปเรื่อยเปื่อยถ้าอยากจะนั่งสมาธิให้สงบต้องควบคุมความคิดต้องใช้สติต้องฝึกสติก่อนมานั่งต้องหัดพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อย แล้วพอเวลามานั่งใจก็จะไม่ฟุง้งซ่านนี่คือนิวรณ์ห้าข้อโดยกันที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมต่อการทำใจให้สงบคำถามจากทันนเฟ e บ o o ก จากคุณชนะตนชนะการปฏิบัติมาสักระยะรู้สึกว่าการผูกพันในสิ่งต่างๆมีน้อยลงไปแต่ยังทำหน้าที่ของเราอยู่เมตายังมีแต่ไม่ผูกพันเหมือนก่อนผิดปกติไหมคะแล้วต้องปฏิบัติให้ได้ระดับใดที่ทำให้เราไม่หลงกับสิ่งเหล่านี้ในภพชาติต่อๆไปค ะ, ะก็ต้องเห็นมันเป็นตายลก เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นของชั่วข่าวของสมมติคนที่เรารู้จักก็รู้จักกันแค่พบี้ชานี้เดี๋ยวตายไปก็ไม่รู้จะไปเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่ออก็แยกทางกันไปเหมือนมาเล่นละครกันพวกเราเป็นเหมือนตัวละครมาเล่นในโรงละครนี้เดี๋ยวพอตัวละครตายไปก็จบไม่รู้จะไปเจอกันที่ไหนอีกหรือเปล่า อ, อยงนั้นก็ไม่จะได้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปผูกพัน ก, ก, จจกัน้กกคำถามจะคุลปล่อยวางอดีตกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าการฟังธรรมจากพระอาจารย์ไปด้วยและบริกรรมคําว่าพุโทโธไปด้วยจิตก็สงบบ้างไม่สงบบ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติภาวนาหมาเจ้าคะเพราะจิตรู้สึกสงบกว่าการนั่งอยู่เงียบๆคนเดียว ขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะเป็นแม่บ้าเลี้ยงลูกจิตเลยดูเหมือนจะเลือกเวลาสงบได้ยากมากจริงๆเจ้าค่ะถ้าเวลาฟังธรรมก็ไม่ต้องบริกรรมพุทโธ ถ, ถ้ามันทำสองอย่างมันจะมันจะสับสนมันจะจับปลาสองมือเดี๋ยวก็ไม่ได้สักอย่างไม่ได้ปลาสักตัวเพราะมันจับไม่มั่นดั้นั้นอยากจะฟังธรรมก็ตั้งใจฟังเพื่อจะได้ได้ความรู้ได้ปัญญา ถ้าฟังไปแล้วพุโทโธไปมันจะไม่เข้าใจเพราะมันแล้พุโทโธบางทีก็ไม่ได้อยู่กับพุโทโธตลอดมันก็ไปกลับไปกลับมาเดี๋ยวก็ไปฟังธรรมเดี๋ยวก็พุโทโธต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะนั่งพุทธโธก็อย่าไปฟังธรรมปิดเสียงธรรมซะถ้าอยากจะฟังธรรมก็ไม่ต้องพุโทโธตั้งใจฟังการฟังการฟังธรรมก็เป็นเหมือนใช้พุโทโธอยู่ในตัว มันก็จะทำให้ใจเราสงบได้นอกจากสงบแล้วยังได้ปัญญาด้วยได้ความรู้ความฉลาดด้วยแต่ถ้าเรานั่งคนเดียวแล้วเราใช้พุโทโธอย่างเดียวเราจะไม่ได้ปัญญาเราจะได้เพียงแต่ความสงบคำถามจากคุณพลอยภัยลินถ้าเกิดความคิดอกุณสขึ้นมาแล้วหยุดความคิดนั้นได้ความคิดนั้นจะบังเกิดบาปหรือเปล่าเจ้าคะอ๋อไม่บาปแร้เพียงแต่ว่ามันอาจจะกลับมาใหม่ได้ ถ้าเราหยุดด้วยด้วยสติถ้าจะให้มันไม่กลับมาต้องหยุดด้วยปัญญาคือต้องเห็นโทษของของของความคิดนั้นว่าจะนำไปสู่ความหายนะจะนำไปสู่ปัญหาจะนำไปสู่ความวุ่นวายความทุกข์เนี่ยถ้าเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นก็จะไม่กล้าคิดแต่ถ้าเพียงแต่รู้ว่ามันไม่ดีแล้วก็หยุดคิดโดยที่ไม่รู้ว่ามันไม่ดีเพราะอะไรเดี๋ยวมันก็กลับมาคิดใหม่ได้ คำถามฝากถามค่ะน้องสาวเป็นคนปฏิบัติธรรมดูแลพ่อแม่แต่มักจะฝันร้ายในทุกๆคืนค่ะก็ เ, เป็นเพราะว่ากรรมเก่ามีอยู่เยอะมึงทำบาปมาเยอะมันถึงฝันร้ายมันไม่กรรมนี้ไม่ได้หมายความว่าแตท่ที่เราทําเฉพาะชาตินี้เท่านั้นกรรมเก่าที่เราทํามาที่มันยังไม่ได้ส่งผลมันก็ยังพยายามที่จะส่งผลต่อเราอยู่ เวลาเรานอนหลับแล้วเราก็ยังฝันร้ายได้อยูถึงแม้ว่าชาตินี้เรากำลังทำความดีอยู่ก็ตามคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k จากคุณนิมิตในการท่องพุทโธเพื่อเจริญสตินั้นการท่องช้าๆหรือการท่องเร็วๆอย่างไหนเป็นวิธีที่ถูกต้องและช่วยให้เกิดสติได้ดีกว่ากันครับก็เหมือนเวลาขับรถเนะี่ยบางทีก็เร็วบางทีก็ช้ามันก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์บนทองถนน ถ้าถึงเวลาต้องขับเร็วก็ขับเร็วถึงเวลาขับช้าก็ต้องขับช้าการบริกรรมของเราบางทีก็บางทีต้องเร็วเพราะใจมันคิดมากถ้าไม่เร็วมันก็ไม่หยุดคิดเวลาที่มันไม่คิดมากเราก็ไม่ต้องเร็วก็ได้เราก็ไปเรื่อยๆสบายๆอันนี้ก็แล้วแต่ภาวะจิตใจของเราว่ามันอยู่ในภาวะแบบฟุ้งซ่านมากหรือฟุ้งซ่านน้อยหรือไม่ฟุ้งซ่าน เราก็ใช้การบริกรรมไม่เหมือนกันตามตามสภาพของจิตใจคําถามจักครูแดงในชีวิตประจําวันเรามักจะพบปัญหาต่างๆมากมายทําให้เราเกิดอาการคิดมากเราจะแก้ไขาอาการวิตกจริตอย่างไรอันตันก็หยุดคิดนะโดยถ้าเราใช้ปัญญาได้ก็คิดว่าอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับ ห้ามได้ก็ทาถ้าห้ามได้ก็ห้ามมันห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปตามความเป็นจริงของมันเ้าก็จะหายวิตกคาถามจากคุณพรพิมลการที่ตามหลวงปู่ไปรรมะสัญจรไปในที่ต่างๆถือว่าเป็นการทำบุญรูปแบบหนึ่งไหมคะไปเที่ยวมากกว่ามนะังถ้าทำบุญมันก็ต้องมีการเสียสละทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น ถ้าไม่มีเงินทองก็อาจจะใช้ร่างกายเราทำประโยชน์ถ้าทำประโยชน์แล้วทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์เอนก็ถึงจะเป็นบุญแต่ถ้าตามเขาไปแล้วก็ไปเที่ยวไม่ได้ทาอะไรไปเฉยๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้บุญไม่ได้บาปคาถามจากคุณนิชา ตอนนี้ดิฉันใส่หูฟังเปิดเสียงพุทโธ ท, ทั้งวันเพื่อช่วยให้ไม่ลืมภาวนาเพราะลำพังภาวนาเองสองสามรอบก็จะคิดเรื่องอื่นอยากทราบว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมคะไม่ๆมอาจจะต้องทำแบบนี้แต่ต่อไปคนรจะไม่ต้องพึ่งมันเหมือนกับเราหัดน้ำไห ว, ไวน้ำใหม่ใหม่บางทีเรายังต้องมีห่วงชูชีพไว้ใส่หัดไหว แต่ต่อไปพอเราไหว้เป็นแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ห่วงชูชีพอันนี้ก็เหมือนกันตอนต้นถ้าเรายังขี้ลืมอยู่ยังพุโทโธได้คำสองคาแล้วก็ลืมก็ใช้วิธีนี้คอยเตือนใจให้พุโทโธไปเรื่อยๆต่อไปพอใจเราพุโทโธเองได้แล้วก็ไม่ต้องใช้มันเพราะการใช้เครื่องเหล่านี้ก็อาจจะมีปัญหาได้เวลาเกิดเครื่องเสียถ้าเครื่องเสียแล้วก็ไม่มีใครมาคอยมาเตือนเราเอง เงนเราเพียงแต่ใช้มันเพื่อกระตุ้นให้เราได้ทำเองให้เราได้พุทโทเองพอเราพุทโทเองได้แล้วไม่หลงไม่ลืมเราก็เลิกใช้มันคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามสองข้อค่ะข้อหนึ่งถ้าจะสั่งลูกไว้ว่าถ้าแม่ป่วยหนักรักษาไม่หายแน่แน่แล้วให้ปล่อยไม่ต้องรักษาไม่ต้องใส่สายยางอย่างนี้ถือเป็นการฆ่าตัวตายไหมคะ ไม่หรอกเป็นแต่เป็นการไม่รักษาเท่านั้นเองปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติถ้ามันอยู่ได้ก็อยู่ไปถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ให้มันไปอันนี้ไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายถ้าฆ่าตัวตายต้องสั่งให้เขาว่าอย่ารักษาแล้วก็ฉีดยาได้เลยฉีดยาให้แม่ตายไปเลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าฆ่าตัวตายข้อที่2ถ้าเจอหนูถูกแมวกัดบาดเจ็บ คงตายแน่ในเวลาไม่นานแล้วไปช่วยให้มันตายเร็วจะได้ไม่ทรมานเช่นนี้บาปไหมคะบาปมันควรจะช่วยให้มันตายให้มันหายเพราะใครจะไปรู้ว่ามันจะตายรักษาแล้วมันอาจจะหายก็ได้อถ้ารักษาช่วยมันเราก็จะได้บุญถึงแม้ช่วยมันแล้วมันตายเราก็ยังได้บุญอยู่เพราะเรามีความเมตตามีความช่วยเหลือแต่การที่เราไปฆ่าเ้าตายนี้เป็นเพราะว่าเราทน ดูความทรมานของเขาไม่ได้มากกว่าเราจึงไม่อยากดูก็เลยอยากให้เขาตายพน้นพ้นหน้าพ้นตาเราไปพ้นหูพ้นตาเราเพฉนั้นเราควรที่จะปล่อยให้เขาถ้าเราช่วยเหลือเขาไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปตามสภาพของเขาเดี๋ยวเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ตายไปเองเหมือนคำถามที่เมื่อกี้แม่บอกสั่งลูกว่าถ้าแม่จะตายก็ไม่ต้องทำอะไรที่ลูกมันดูไม่ได้มันอดทนใจดูไม่ได้ ต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ฆ่าก็รักษาถ้าฆ่าก็บาปถ้าช่วยรักษามันก็บุญแต่มันก็อาจจะเป็นโทษกับแม่เพราะจะทําให้แม่ต้องทรมานไปอีกนานกว่าจะตายแนทางที่ดีที่สุดก็ปล่อยให้มันไปเป็นไปตามธรรมชาติของมันเถิดถือว่าเป็นกรรมที่มาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันอย่างนี้ตายช้าตายเร็วตายง่ายตายยากก็เป็นเรื่องของบุญของกรรมไป คำถามสักคุณจั ก, กรินฟังธรรมอยู่ที่บ้านเปิดผ่านสื่อต่างๆแต่เปลี่ยนอริยาบทโดยลักษณะการเดินฟังเหมาะสมไหมครับถ้าเราใส่หูฟังก็คงจะก็คงจะไม่เป็นปัญหาแต่ถ้ามันเป็นเสียงโดยทับโดยธรรมเนียมเวลาฟังธรรมนี้เขาก็ให้ความเคารพด้วยการนั่งฟังคำถามสักคุณศินีนาศ จะให้เป็นคนมีใจหนักแน่นไม่วกแวกไม่คิดมากไม่โกรธง่ายแก้ไขยอย่างไรคะก็มันฝึกสติมันพุทโธพุทโธไปถ้ามีพุทโธแล้วพุทโธก็จะทาให้ใจนิ่งใจหนักใจหนักแน่นใจไม่ฟุ้งคำถามฝากถามค่ะมีสองคำถาม 1. นึงในอดีตมีคนถามว่านอนกี่โมงแล้วรตอตอบไปว่าห้าชั่วโมง พอปัจจุบันวังวันเราไม่ได้นอนอย่างนั้นแล้วนี่ถือว่าเรามูสาหรือเปล่าครับไม่หรอกเราพูดแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องที่เราเป็นอยู่ในขณะนั้นส่วนยังยังก็ถามแต่งงานหรือยังแต่งแล้วแล้วปีหน้าเกิดเราไปยากับเขานี่เรามูสาป่ะก็ไม่เลยมูสาใช่ไหมเพราะมันเป็นคนละเรื่องแล้วตอนที่ก็ถามเราก็ตอบตามความเป็นจริงของมันในตอนนั้น ตอนในปัจจุบันนี้มันเป็นความเป็นจริงมันเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปก็ไม่ได้บูชาไข่ถ้าก็มาถามอีกก็ต้องบอกเขาว่าอตอนนี้ไม่ได้นอนห้าชั่วโมงแล้วแต่ถ้าก็ไม่ถามก็ไม่ถือว่าเราไปโกหกเพราะเราพูดตามความเป็นจริงในขณะนั้นข้อที่สองเวลาเรายืมหนังสือห้องสมุดแล้วเรายืมเกินวันกําหนดโดนปรับเงินอย่างนี้ถือว่าเราอัธินาหรือเปล่าครับไม่เราก็การปรับนี้เป็นการเป็นการแก้ คือหนังสือเขาต้องแบ่งกันให้คนอื่นได้ดูบ้างที่เราบางทีขี้เกียจขยันไปเอาแต่ขี้เกียจไปคืนแล้วก็เลยต้องมีวิธีกระตุ้นให้เราไปคืนด้วยการมีค่าปรับอย่างนี้คำถามจากคุณเกรียงไกรทำที่บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองข้อที่ว่าเราย่อมยินดีในเรือนว่างเปล่าหรือไม่ หมายความว่าอย่างไรครับคือนักบวชนี้ต้องหาที่อยู่สงบอยู่ลำพังอยู่คนเดียวอยู่ในป่าอยู่ในป่าช้าอยู่ในเรือนล่างเพราะเป็นที่สงบไม่มีใครมาวุ่นวายอย่าไปอยู่ตามบ้านตามเมืองเพราะที่นั่นมีแต่รูปเสียงกลิ่นรสที่จะมาคอยกระตุ้นอารมณ์กระตุ้นกิเลสตัณหานักบวชนี้ต้องการฆ่ากิเลสตัณหาก็ต้องไปหาที่ที่กิเลสไม่มีมา ไ ม, ไม่ไม่มีที่มากระตุ้นให้กิเลสมาคอยรบกวนจิตใจเพื่อทำใจให้สงบค่ะคำถามฝากถามสักทางลนยค่ะผมสนใจในธรรมะและรักษาศีลห้าเป็นประจำหลุดบ้างขาดบ้างแต่ก็ตั้งใจสมาทานรักษาอยู่เรื่อยๆผมทำงานฟาร์มกุ้งซึ่งงานที่ทำมีโอกาสทำให้กุ้งต้องตายเพราะหน้าที่ไม่มีเจตนาจะทำร้ายเขาอย่างนี้เป็นบาปไหมครับ จะปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมได้ไหมครับเพราะเป็นอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อจำนายครับก็บาปนะถ้าทำบาปมันก็บาปถ้าไม่อยากจะทำบาปอยากจะคนปฏิบัติธรรมเาก็เลิกทำบาปกันเขาก็ไปปฏิบัติธรรมกันถ้าทั้งปฏิบัติธรรมด้วยทำบาปด้วยมันก็เหมือนกับกินกาแฟผสมกาแฟเย็นผสมกาแฟร้อนมันก็เลยไม่รู้ว่าเป็นกาแฟอะไร ไ, ไคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาทำที่บ้านแล้วเชื่อว่าบ้านที่อยู่อาศัยจะมีเทวดาปกปักรักษาถูกต้องไหมคะก็เป็นความเชื่อเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นความจริงเทวดาเขาไม่มาเสียเวลามาลกปกป้องรักษาเราโดยไม่ได้รับเงินเดือนหรอก ขนาดคนยังถ้าไปจ้างเขามาจ่ายค่าจ้างเลยแล้วเทวดานี่เขายิ่งใหญ่กับรปอปพอช่อยู่ดีๆก็จะมาปกป้องรักษาเราให้เสียเวลาทําไมเราเป็นใครก็เราถึงจะต้องมีเทวดามาคุ้มครองเราด้วยมีคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเออค่อนข้างยาวเดี๋ยวขออนุญาตข้ามแล้วขอสรุปสักพักนะคะออคนที่ส่งคําถามยาวๆมาขออนุญาตสรุปเนะียไม่อยากจะฟังเทศอยากจะฟังคําถาม ไม่ต้องเล่าหรอกที่มาที่ไปถามมาเลยแบบ่งคนที่ทั่วทั่วไปก็ถามกันมีปัญหาอะไรก็ถามเลยบางคนนี่ไล่ามายาว เ, เป็นหน้าเลยอันนี้ทางเราขอสงวนคำถามเหล่านี้อย่ากโกรธกันนะแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเล่าอยากจะถามอะไรก็ถามมาเลยดีกว่าขออนุญาตขอข้ามไปทางอีกท่านหนึ่งก่อนนะคะคำถามจากคุณวัฒนา ถ้านอนหลับแล้วมักจะฝันว่าได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆรู้สึกสนุกตื่นตาตื่นใจมากแต่ในชีวิตจริงไม่ค่อยได้เที่ยวเท่าไหร่ก็เลยรออยากให้ถึงเวลานอน เ, เร็วๆแสดงว่าเรามีกิเลสหลงติดกับความฝันหรือเปล่าคะถ้าอยากก็เป็นกิเลสแต่ฝันฝันนี้จะอยากมันมันมันจะโผล่ขึ้นมาหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเรามันอ ย, อยู่ที่เหตุคือบุญที่เราเคยทามาในอดีต ถ้าทำบุญมามันก็จะทําให้เราฝันดีคําถามต่อจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนนอนหลับและไม่ฝันแสดงว่าใจสงบหรือแสดงว่าสติไม่ดีจึงจําเรื่องที่ฝันไม่ได้ถ้าสงบจริงมันก็ไม่ฝันไม่ว่าถ้ามันฝันแล้วบางทีลืมก็ได้บางทีฝันพอตื่นขึ้นมามันก็ลืมเลยเลยไม่รู้ว่าฝันหรือเปล่าก็มีเหมือนกัน เพราะฝันบางทีมันอาจจะฝันไม่ไม่ลึกไม่ไม่มากไม่ใหญ่ไม่ประทับใจมันก็เลยอาจจะไม่ฝังใจพอตื่นขึ้นมามันก็เลยไม่รู้ว่านอนดับไปฝันหรือเปล่าคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาะมเมื่อสักครู่ที่ยาวนะคะขออนุ ญ, ญาตสรุปเป็นดังนี้ค่ะฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านถูกจริตไหนก็นำมาปฏิบัติ ปกติจะกันหมดลมหายใจและมีความรู้สึกว่าไม่ไม่พัฒนาเหมือนมันไม่ได้นิ่งอยู่ที่เดิมมันไม่เกิดปัญญาจึงมาเปลี่ยนเป็นตามดูรู้กายใจความเคลื่อนไหวและถามตัวเองว่าเกิดมาเพื่ออะไรและทำทำไมแล้วก็ปฏิบัติหลายอย่างแต่ว่ารู้สึกว่าไม่เท่าทันตัวเองไม่เท่าทันอารมณ์ตัวเองกรอบกราบขอเรียนถามท่านพระอาจารย์ช่วยชี้แนะค่ะ การฝึกแบบนี้เป็นการฝึกสติซึ่งยังเป็นส่วนที่ยังเป็นส่วนเหตุอยู่ส่วนที่เราต้องการก็คือสมาธิความสงบยิ่งนั้นการที่เราจะฝึกสติวิธีไหนก็ได้ทั้งนั้นจะพุโทโธก็ได้จะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้จะจดจ่ออยู่กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเวลานั่งสมาธิแล้วจิตมันรวมเป็นสมาธิหรือเปล่าถ้ายังไม่รวมก็แสดงว่ายังใช้ไม่ได้สติยังมีกําลังไม่พอก็ต้องลองลองฝึกดูไปเรื่อยๆก่อนขาอเป้าหมายของการฝึกสติก็คือให้เราหยุดความคิดต่างๆไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับความว่างอยู่กับความไม่คิด ถ้าเราทำได้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะว่างจะสงบจะเป็นสมาธิขึ้นมาได้แต่วิธีการมันมีต้อง40วิธีด้วยการวิธีสร้างสติเรียกว่ากรรมาฐาน40ฉะนั้นผู้ปฏิบัติก็อาจจะต้องทดลองดูเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดูเพราะว่าจลิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาจารย์ที่สอนก็มีจริตไม่เหมือนกันอาจารย์องค์นี้ได้ความสงบจากพุทโทท่านก็สอนพุทโทอาจารย์องค์นี้ได้ความสงบจากการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายท่านก็ให้ดูเลือกการเคลื่อนไหวของร่างกายอาจารย์องค์หนึ่งให้ดูให้ดูการเคลื่อนไหวของมือเห็นไหมให้ดูมืออันนี้แล้วแต่จลิตของแต่ละคนอันนี้เป็นวิธีการสร้างสติเท่านั้นยังไม่ได้เป็นตัวสมาธิ ตัวสมาธิต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วทำจิตให้รวมเป็นหนึ่งนิ่งสงบเย็นสบายมีความสุขออมีอุเบกขาสักแต่ว่ารู้นี่ึงจะเรียกว่าเป็นผลที่เกิดจากการเจริญสตินี่แล้วต้องมาวัดที่ตรงผลตรงนี้คือสมาธิถ้ายังไม่ได้สมาธิก็แสดงว่าสติเรายังไม่ถูกหรือยังไม่มียังไม่มีกำลังพอที่จะทาจิตของเราให้สงบได้ คำถามฝากถามค่ะช่วงนี้โยมมองจิตและทำ ง, งานอยู่ก็หันกลับมาดูจิตพอช่วงสวดมนต์เย็นก็เบาอาการนี้จิตเราเป็นเช่นไรคะและดีไหมคะและจะมีความรู้สึกอยากนั่งภาวนานานๆแต่ว่ายังทาไม่ได้สักทีค่ะต้องทำงานได้แต่ดูตัวเองไปก่อนอย่างนี้ถูกไหมคะก็ไม่รู้ว่าถูกก็เปล่าหรับถ้านั่งมันมันจะถูกก็ต้องนั่งสมาธิให้จิตสงบให้ได้ ถ้าจิตไม่สงบก็ยังแสดงว่าไม่ถูกคำถามจากทาง y o u t u ู e จากคุณจงแจงค่ะเมื่อก่อนทำทานเยอะยังไม่เน้นปฏิบตัติแต่พอปฏิบัติเยอะขึ้นกลับเน้นเรื่องทานน้อยลงส่วนศีลก็รักษาศีลแปดบ่อยขึ้นรู้สึกว่าปฏิบัติเยอะขึ้นจะอยากทำทานน้อยลงไม่ทราบผิดขั้นตอนไหมคะออไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าการทาทานนี้มัน ทำมากได้โดยที่เราภาวนาเพียงแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีทําแทนที่จะมาเตรียมข้าวของใส่บาตรเราก็โอนเงินเข้าวัดไปเลย อ, อย่างนี้ก็ยังทําได้อยู่เพื่อการทําบุญทําทานนี้ถ้าเราภาวนาแล้วมันอาจจะมาะมาทำให้การภาวนาเราเสียไปก็ได้ถ้าเราต้องคอยมากังวลกับเรื่องของการเตรียมข้าวของมาทาบุญแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะยังทาทานไม่ได้ แล้วก็เปลี่ยนวิธีการทำทานเสียเท่านั้นเองทำทานแบบง่ายๆเดี๋ยวนี้ใช้มือถือกดได้เลยต้องการทำเท่าไหร่ก็ทำได้เลยอย่างนั้นถ้าทำน้อยลงก็แสดงว่าเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสมันไม่ยอมทำมันอ้างว่าตอนนี้ภาวนาแล้วเลยไม่อยากจะทำทานอย่างนี้ความจริงคนที่ทาคนที่ภาวนาจริงๆนี่เขาทำทานมากคือเขาทำหมดเลยเพราะจะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องเงินเรื่องทอง เขาจะได้ามาภาวนาได้เต็มที่เลยถ้ายังมีเงินทองอยู่เดี๋ยวกิเลสก็จะขอไปใช้ไปเที่ยวไปซื้อน้่นซื้อนี่อยู่เขาก็เลยทำทานให้มันไปหมดเลยพวกที่ไปบวชนี่็เขาทำทานกันหมดแล้วก็ถึงไปภาวนาได้อย่างเต็มที่ยันถ้าจะบอกว่าไปภาวนาได้ยังทำทานน้อยนี่ก็แสดงว่าผิดแล้วถ้าจะไปภาวนามันต้องทำทานยิ่งมากคือทำให้มันหมดไป อย่างพระพุทธเจ้านี่ก็สละราชสมบัติไปเลยแล้วก็ไปภาวนาอย่างเต็มที่แต่ถ้ายังเสียดายเงินอยู่ยังหวงเงินอยู่หวงเงินอยู่แล้วไปภาวนาก็สแสดงว่ายังไม่ภาวนาอย่างเต็มที่คนที่ภาวนาจริงๆแล้วจะตัดเรื่องเงินทองจะไม่พึ่งเงินทองไม่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขจะใช้การภาวนาเป็นเครื่องมือหาความสุขแทน ก็เลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเก็บเงินเก็บทองไว้นอกจากเก็บไว้ใช้กับของจําเป็นเช่นปัดใ จ, จ4ี่เท่านั้นถ้ายังไม่ได้บวชแต่ถ้าบวชแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีเงินทองอีกต่อไปคำถามฝากถามค่ะลูกพิการทางสมองเป็นออทิสติกยังไม่พูดยังไม่ปกติแม่หรือพ่อจะมีวิธีทาทานสร้างบุญให้ลูกโดยบอกชื่อลูกหรือพิพิธีใดที่จะทาแทนได้คะ เพราะกายเขาไม่สามารถทําได้ปกติเหมือนเราค่ะเอ๋อทําไม่ได้หรอการทําบุญนี้ผู้กระทาต้องเป็นผู้กระทาเองผู้คิดเองและต้องเป็นของของผู้กระทาเองเช่นเด็กๆที่เราพาไปทําบุญนี้เขายังไม่ได้ทําบุญเราเพียงแต่ฝึกเขาท่านเองสอนเขาให้รู้จักวิธีทําบุญเขาต้องรอให้เขาโตขึ้นเขามีเงินของเขาเองแล้วแล้วเขาอยากจะ เ, เงินที่เขาหามาได้นี่มาทําบุญเขาถึงจะได้บุญเอง งัตอนเป็นเด็กแล้วก็มีเพียงแต่มีหน้าที่ฝึกสอนเขาเท่านั้นเองสอนนี้ก็รู้จักวิธีทำบุญให้รู้จักว่าที่ไหนทำบุญทำบุญอย่างไรเช่นเราพาเขาใส่บาตรพาเขามาถวายข้าวของเขายังไม่ได้ทำบุญก็เพียงแต่มาฝึกวิธีทำบุญเพราะการทำบุญนี้ต้องออกจากใจอย่างพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ทำบุญอยากจะทาบุญอยากจะสอนอยากจะฝึกลูกให้มาทำบุญ แม่พ่อแม่เนี่ยเป็นคนได้บุญพ่อพ่อแม่เป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะทําบุญและพ่อแม่เป็นผู้ที่เสียสละข้าวของเงินทองที่เอาไปทําบุญนถึงจะได้บุญคําถามทาง facebook จากคุณเกลียงไกรทาที่บรรพชิตพึงพิจารณาข้อที่ว่าบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าญาณทัศน์วิเศษอันสามารถกําจัดกิเลสเป็นอริยะ คืออุตตริมนุสธรรมอันเราได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือหนอที่เป็นเหตุให้เราผู้อันเพื่อนพรหมจรรย์ถามแล้วจกไม่เป็นผู้เก้อเขินในการภายหลังข้อนี้หมายความว่าอย่างไรครับก็ให้คอยถามตัวเองเรียนจบหรือยังสําเร็จหรือยังถ้ายังไม่สําเร็จก็รีบปฏิบัติให้สําเร็จความหมายต่อไปเกิดใครก็ถามจะได้บอกก็ได้ว่าสําเร็จแล้วเหมือนพวกที่เรียนหมอถามตัวเองว่าตอนนี้เราเรียนจบหรือยัง ถ้ายังไม่เรียนไม่จบเรีบเรียนให้มันจบซะไม่ใช่ยืดเยื้อไปตกนู่นตกนี่ต้องไปเรียนใหม่นู่นเรียนใหมน่นี่อยู่เรื่อยๆ อ, อย่างนี้มันก็จะทําให้ยังไม่สําเร็จนั้นต้องคอยเตือนตัวเองเพื่อจะได้กระตุน้นกระตุ้นความเพียรของตัวเองไม่ให้เกียจคร้านไม่ให้มาบวชเพื่อมากินข้าวฟรีอยู่ฟรีมาบวชนี้เพื่อให้มาปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุทำขั้นสูงได้ อันี้ก็ต้องคอยมันสอบถามตัวเองว่าตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วการปฏิบัติของเราขึ้มหน้าหรือถอยหลังสติมากขึ้นหรือน้อยลงสมาธิสงบมากขึ้นหรือสงบน้อยลงปัญญาเห็นธรรมมากขึ้นหรือเห็นน้อยลงอันนี้คือเป็นวิธีการเตือนตนเองเพื่อจะได้ไม่เกียดค้านไม่หลงทางคำถามจากคุณอามเล ปัจจุบันผมปฏิบัติในสายยุบหนอพงหนาแต่มีความประสงค์อยากบวชในสายวัดป่าซึ่งบริกรรมพุทโธถ้าบวชแล้วจะให้ปฏิบัติบริกรรมอย่างไรครับก็อยากบวชอยากปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติไปเลบวชแล้วมาถามทไมอยากจะพุโทโธก็ไปบวชแล้วก็ไปพุโทโธสิถ้าแล้วมาถามท ำ, ทำไมไม่เข้าใจความหมายคำถามจากคู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ ตอนนี้พ่อไม่มีเงินอยู่กับตัวแต่หนูบอกพ่อว่าหนูให้เงินพ่อพ่อจะฝากหนูเอาไปทําบุญเท่าไหร่พ่อจะบอกจํานวนเงินอย่างนี้พ่อจะได้บุญไหมคะก็ต้องอยู่ที่เป็นความคิดของพ่อเองพ่อบอกว่าลูกไปทําบุญก็ขอฝากเงินนี้นไปทําบุญด้วยพ่อก็จะได้บุญแต่ถ้าเราไปกระตุ้นบางทีไปบงังคับให้การทำการทโดยที่เราไม่ได้ยกคิดอยากจะทาเอง ทำพะถูกก็บังคับถูกกระต้นก็อาจจะได้บุญน้อยกว่าเพราะไม่ได้ออกมาจากใจของตนเองแต่ก็ยังได้บุญอยู่เพราะยังได้เสียสละเงินของตนไปคําถามจากครูแดงสารคามกลับเยี่ยนถามพระอาจารย์แรกๆได้ฝึกทําสมาธิเมื่อฝันฝันนั้นเหตุการณ์นั้นมักจะถูกต้องแต่เมื่อฝึกไปนานๆกลับไม่ค่อยฝันหรือเหตุการณ์ในฝันไม่แม่นยําแสดงว่าการปฏิบัติของเราเสื่อมหรือดีขึ้นครับ แสดงว่าเราไม่แม่น เ, นเลยคําถามจากคุณพิมพรหนูชอบนอนฝันว่าได้นับเงินถามค่ะอย่างนี้เรียกว่าฝันดีใหม่เจ้าคะและหนูทําและหนูทําทําไมหนูถึงชอบฝันว่าได้นับเงินหรือมีคนนําเงินมาให้คะก็มีความสุขจากการฝันแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีความสุขก็ได้บุญความสุขใจก็คือบุญ แต่ถ้าฝันแล้วบอกโอ๊ยเบื่อแล้วเกินต้องมานั่งนับเงินเหมือนคนพนักงานธนาคารนี่มันก็ไม่มีความสุขเพราะไม่ได้นับเงินของตนเองนับเงินของคนอื่นอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ได้ก็แสดงว่าฝันไม่ดีถ้าฝันแล้วนับเงินแล้วทุกข์ฝันว่านับเงินแล้วทุกข์ก็ว่าฝันไม่ดีฝันว่านับเงินแล้วสุขก็เรียกว่าฝันดีเพราะฝันว่าเป็นเงินของเราคำถามหมดแล้วค่คำถามหมดก็มีใครอยากจะถามอีกไหม